พันหกสิวพันก็เล่าว่าสมุิถ้ำบุญสรงพระเดชพระคุณขององค์ท่านองค์ท่านนะแล้วเสีบเสีบเสีบเี้ยเจ้าไม่อยากว่าอะไรนะเรียว่ารไปไลายบ อ, นนอไไลเนาะรถไฟลายบอล ท่านเป็นผู้เทวดาโดยสมมุติคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูว่าอาจารย์ตลอดปูทวดย่าทวดตาทวดยายทวดตลอดถึงพระบรมราชาพระบรมราชนีตลอดถึง พระบรมวงศานุวงศ์ท่านเหล่านี้นับถือพระพุทธศาสนาโดยเคร่งครัดอุทนผลบุญของท่านจึงบรรดาลีผู้เคารพนับถือพระองค์ท่านไม่เบียดเบียนใคร อยู่อย่างเมตตาผาสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดถึงพระพุทธศาสนาเป็นแกนหัวใจของท่านอยู่ด้วยพระชาชนชาวไทย ร, ะระักและเคารพอยู่ไม่มีวันจืดจางเลยพระองค์ท่าน ไม่ได้ถือตัวท่องเที่ยวไปในเขตที่ทรกันดาลทำประโยชน์ให้แก่ท่านหรือเขาเหล่านั้นตามสติกำลังเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคืออะไรนั่นคือตัวบุญในทางคารวสา มีสินธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาแพ้เอาชนะกับท่านผู้ใดเลยทรงพระฉลาดมากเข้ากอดแข้งกอดขาพระพุทธศาสนาเขารบปฏิบัติตามก็เลยทรงพระอำนาจในทางธรรมะพระอำนาจในทางธรรมะ เป็นพระอำนาจที่ไม่กระทบกระเทือนชาวโลกใดๆทั้งวงวอำนาจในทางที่ไม่เป็นธรรมถึงแม้จะได้มามันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นทางบริสุทธิ์อำนาจด้วยกดขี่ข่มเหงแคนเองได้ หรืออำนาจมืดไม่มีใครเคารพนานจืดจางง่ายไม่เหมือนอำนาจโดยเป็นธรรมเช่นพระบรมศาสตราของเราเป็นตัวอย่างด้วยอำนาจที่เป็นไปในธรรมะเป็นอำนาจที่บริสุดไม่จืดจางเลย เหมือนเกลือรักษาความเค็มของตนไว้ประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะเขารบรักพระพุทธศาสนาเป็นแกนของหัวใจถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ต่างคนต่างเห็นไปไม่มีดิ่งไม่มีระดับน้ำไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงความดีใดๆ ใ, ในโลกล้วน ไม่เท่าพระพุทธศาสนาบัญญัติ ถ, ถูกความชัว่วในในโลกล้วนไม่เท่าพระพุทธบัญญัติของพระพุทธศาสนาบัญญัติ ถ, ถูกพระท่านเหล่านั้นนอกจากพระพุทธศาสนาไปมีกิเลสเต็มพุงอยู่บัญญัติเข้าข้างตัวเป็นส่วนมากส่วนพระพุทธศาสนาบัญญัติอะไรถูกต้อง พระพุทธศาสนาเป็นเทพึ่งของชาวโลกทุกยุทุกสมัยและก็เต็มภูมิด้วยจึงทรงพระนามว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วมหาการุณยโกนาถถทรงพระมหาการุณาดังสาครโปรดมูประชากร มรอกขกันดาที่ทางบรรเทาทุกข์และที่สุขเกษมสารที่ทางพระนฤพลอันพน้นโกพโยคัยพร้อมเป็นปฏิสจักสุดจรัสวิมุนใสเห็นเหตุเท่ไกลไกก็เจนจบประจับจริงกำจัดน้ำใจยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงซัดโลกได้พึงพิงมาราบาบบำเพ็ญบุญข้าขอปรน้อม ด้วยเสียงกล้าววังคมขุนสัมพุทธการุณตลอดกาลนานนิรันดอนแลนพระพุทธศาสนายังอยู่ยังยืนลงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาพินาณลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนนอดม้อยสุดสิ้นส ก, กุลพุทธใครการใครรบ ก, กล้าวชาวพุทธกรรม อันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ตลอดกาลนานแลพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใชบบ่ระเบียบกฎหมายใดๆก็ตั้งมาอยู่อูของทมก็ไม่นำคำหนึง่งก็จะหมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แก้ไม่ได้ก็ไปไหนทำในที่รับ ทำเป็นโรคกระบาลกุ้มครองโลกมีอยู่สองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะกุ้มครองโลกได้ไม่ใช่โรคระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่โรคระเบิดปรามานูไม่ใช่เอมสิบหกเอ็มนั่นเอ็มนี้ถ้าคนมีอย่างอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปลแล้ว าหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนหลับไปก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าผู้ที่ล่วงละเมิดเสียหน้าก็คือผู้ล่วงละเมิดไม่มียางอายตาวา่ว่ากไม่มีความกลัวต่วมากของข้อนี้เอง เอ้าถ้าโรคมีเส้นห้าบริบูรแล้วโรค ก, ก็สงบมากแต่ทุกวันนี่มันก็ตรงกันข้ามอบายมุขทุกขุมในโลกามนุษสาโลเกขวยจากทรรมคำสอนของพระบรมศาสดามีข่าล่ำนอนรชนียบยัมตีเป็นเลขเป็นปานมันก็ต้องชิบหายแต่ต้นมือมา จนถึงปัจจุบันนี้มีนาก็เสียนามีไรก็เสียไรลูกผัวเมียแตกรล่ากันก็เพาะอบายมุขมุขะแปลว่ามันชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากพุทธบริษัทแท้ต้องถึงพระพุทธพระสมพระธรรมพระสงค์เป็นสารณะนะ ตลอดตากเท่าเข้าสู่พระ涅槃ไม่ยินดีในศาสนาอื่นเลยเบื้องต้นของพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนาณนะโมตั้งณโมขึ้นณนะโมแปลว่านอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอ้นอมน้อมด้วยกายไม่ข่าสัตว์ใม่รักทรัพย์ไม่ป่าพฤติผิดในกามนอ้นอมน้อมด้วยวายกายไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อ นอบน้อมในใจไม่โลภอยากได้ของท่านผู้อื่นมาเป็นของตนไม่พยาบาทปองร่ายผู้อื่นเห็นชอบตามทำนองกรองทำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบาปก็มีบาปจริงทำบุญก็มีบุญจริงเรียกว่าเห็นชอบตามทำนองกรองทำเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นชอบคนเราทำไมจึงได้อาบนา้าเพราะมันจกรโปกโสมมุมจึงได้อาบนา้าถ้าอย่างนั้นมันก็เข้าสังคมไม่ได้เพราะมันเหม็นสาบในสกล ก, กายนี้ ทำไมคนเราจึงรักษาศีลธรรมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะใจไม่มีอันใดจะมาปฏิบัติใจได้นอกจากศีลธรรมถ้าใจไม่ปฏิบัติศีลธรรมของพระพุทธศาสนาใจก็สกระปรกพระใจเป็นหัวหน้าของกายวาจาจึงพอเข้ากันประทังประทังได้เหมือนอาบนา้าถ้าไม่อาบนา้า ก็เข้าใกล้กันไม่ได้ชั้นใดก็ดีถ้าไม่ยินดีในพุทธศาสานาไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วก็เข้ากันไม่ได้เหมือนสุนัขวิ่งออกไปก็วิ่งกัดกันเลยตัวไหนมีฟันมีเขี้ยวยาวก็กัดและมีกําลังมากดังนั้นจึงโคงมาหาทำเป็นโลค ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาป ความก้าต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองเรกได้กฎหมายกดหมูกดพักกดพวกก็ตามถ้าไม่มียางอายต่อบาปแล้วก็มีแต่ชื่อมันผลของมันก็คือทุกข์เราดีๆนี่เองอายุวันโนสุขังพระรังสวัสดีคนป้าสวัสดีคนหน้าคนอาคนปู่คุณย่าคนตาคนยายคุณหนูคนณลูกคนหลาน คนเหลนคุคนมิตรคนสหายคนเพื่อนบ้านเอามาจากไหนก็เอามาจากอายุวันโนสุขังพลังของพระดีดีนี่เองนั่นนั่นนั่นคืออะไรนั่นคือนั่นใจของพวกเราผูพ้พูดและผู้ฟังนี่เองผู้ยังเข้าไม่ถึงเส้นห้ายังเป็นพุทธมามะกะ ไม่เต็มภูมิเข้าถึงเชนห้าบริบูรณ์แล้วเป็นพุทธมามะกะธรรมมามะกะสังมามะกะเต็มภูมิเป็นนักปราดในทางคารวะอย่างเต็มภูมิบันทิตโตครามาวะสังบันทิตเป็นผู้คลองเรือไม่ใช่คนทุศิลปไปคลองเรือนคนทุศิลป์ปคลองเรือ ไมดามานดาปูย่าตายายจะมีทรัพย์สินขาดบริวารไว้ให้ตั้งล้านก็ตามคนผู้นั้นมันก็เอาไปทำชิปหายหมดเพราะมันไม่มีเทอมมีสินเป็นเครื่องดอูมันประพฤติเกียเมลีกเป็นจิกกจ๊กโกจิ๊กเก้จิ๊กกาเดี๋ยวเอาไปเล่นเลขกหมดเดี๋ยเอาไปดื่มสุราหมด เดี๋ยวเอาไปกินเล้าหมดเดี๋ยวเอาไปคบกับเมีชั่วหมดคำสอนใดใดใดใดโลกธาตุไม่เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาเลยคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นพรมสมบัติเต็มภูมิเป็นนิพพานสมบัติเป็นเต็มภูมิ จึงทรงพระนามว่าโลขวิูรู้แจ้งโลกอนุตตโรเยี่ยมปิฏสะธรรมสารถิดฝึกตนดีแล้วก็ไปเที่ยวฝึกผู้อื่นศรัทธาเทวมนุษย์านังสอนตนเองดีแล้วก็ไปสอนผู้อื่นมีมนุษย์เทวดามารพเป็นต้นพุโทโธเป็นผู้ตื่นออกจากความหลงแล้ว พระกวาเป็นผู้จำแนกทานศีลภาวนาไว้ให้ชาวโลกรู้จักความหมายสวกขาโตพระกวาตาธรรมโมพระธรรมอันผู้มีพระภาคเก้าเก่าวดีแล้วสันทิที่โกผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองไม่ได้ข่มเหงได้ไม่ได้จ้างเลย อาการดิโกมีอยู่ทุกการทุกเวลาพระใจมีอยู่ทุกการทุกเวลาทาทั้งหลายก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาใจทำความดีอยู่ทุกการทุกเวลาใจก็ได้รับผลดีในตอนนั้นๆอยู่ทุกการทุกเวลาถ้าทำชั่วก็ได้รับผลชั่วอันนั้นอยู่ทุกการทุกเวลาของใจใจใจใจ เอฮิปัสซิโกวันร้องเรียกให้เรามาดูได้ผู้ปฏิบัติก็ย่อมย่องเรียกมาดูได้ผู้ไม่ปฏิบัติจะร่างเรียกมาดูมันก็มาเห็นเพราะรองเรียกคนตาบอดมาดูจะเห็นอะไรเวทิสโปยันยูฮิติบุคคลผู้ปฏิบัติจะรู้แจ้งเฉพาะตัวเป็นอิสระ ไม่ได้ผมเหงคะแนนได้เห็นเองเชื่อเองจึงไม่ขบคืนถ้าเห็นด้วยเอารางวัลมาจ้างจ้างให้เคารพนับถือเมื่อบทรางวัลจ้างแล้วมันก็ขบคืนจะชนะชนันชนงเอารางวัลที่ไหนมาให้เหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงยอมให้บุคคลผู้เคารพรักเห็นเองให้มีอิสระเอง ให้เริ่อมใสเองไม่ได้คงขี่ให้เห็นไม่ได้หลอกลวงให้เห็นส่วรลัที่อื่นเอาอาเม็ดเป็นเครื่องล้อแต่พอไปติดเวทติดแล้วแล้วก็เอามาต้มเฉือนกินเราเป็นนกเป็นปลาก็จงเป็นนกเป็นปลาที่ฉชาย่าไปติดเวทติดแล้วของนายพรานที่โปรยล่ อ, อไว้ นายพรานเขามาโผล่รอยล่รอไว้พอเข้าไปหาเขาเขาก็หาอาวาอุบายกินตับกินปอดของเราธรรมาดาคนจินตับกันก็ต้องดูนด้ำดีว่าจะขมเพียงไหนทำไมจึงมีผู้มีผู้เคารพรักพระพุทธศาสนาน้อยนักก็เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นฐานะของผู้ มีบารมีต่ํ่ำจะมาเลื่อมใสแค่ไหนบางท่านจึงสนเข็มเล็กๆไม่ได้ก็เพราะตาฟาฉันใดก็ดีผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาก็ขอให้เข้าใจว่าท่านเหล่านั้นกำยังกำลังปฏิบัติอ่อนอยู่ ไม่มีดวงตาพอจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็จำเป็นฉี่มากก้านกล้วยอยู่นั่นเองกูไม่ไปมึงก็ไม่วิ่งเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมอยู่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาเป็นโชคชะตาอันดีประเสริฐแล้วมาพบแก้วดวงประเสริฐสี อย่าให้เป็นไข่แก่ไก่แก่ก็พลอยมาเห็นพลอยแล้วก็เอาพลอยไม่เป็นแล้วก็ขันเปรย์ขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาคงจะเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเวนตามลืมนี้เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสู้แต่ข้าวสุก ข, ข้าวสารมาเล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเฉียวไปในแกลงอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ฉันใดก็ดีเรามาพบ พ, พุทธศาสนาแล้วอย่าหนีคุ้ยเขี่ยวภาในแปลงอื่นๆคือไปยินดีในศาสนาอื่นนอกจากพะพุทธศาสนาซะานะพระโสดาบันไม่เสียดายอยากกระถือศาสดาอื่น ไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากร่วงสิยน่าไม่เสียดายอยากะขอดเวณท่านโพธไทยโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับขอดเวนเมื่อโกรธมาแล้วก็ทวนกระแสดูว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดเขามาแต่ในพอก่อนแล้ว<ๆ>ก็ให้แล้วกันไปซักข้าพเจ้าจะไม่ตอบแทนเองแต่ข้าพเจ้าโกรธอยู่กัดไม่ถูกเวน เมือม่อเมื่ออยู่ไดจักน้อยเมื่อไดจักน้อยแะนั้นเวนภัยในใจพระโสดาบันจึงไม่มีเวียนไัยแบบยาวเมื่อตายวันไหนก็มีคติเป็นสองไม่สวรรค์ก็มนุษย์เต็มภูมิมนุษย์เต็มภูมิ เป็นคนที่ไม่บ้าบ่ายเสียจิตผิดมนุษย์ด้วยเป็นคนมีเป็นคนมีตระกูลสูงด้วยเป็นคนที่รวยด้วยถ้าเกิดเป็นมนุษย์รวยในวัตถุนิยมในทางที่ชอบ mm hmm. พระส ו ดาบันยังไม่ค่าขายเครื่องปรหานไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตว์เป็นแลเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษาการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะประกอบเลยสิ่งที่ไม่เสียดายอยากจล่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักหัวใจถ้าสงสัยอยากล่วงละเมิดอยู่มันก็หนักหัวใจ ทำไมจึงไม่เสียดาอยากร้องละมืดเพราะเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์นี่แต่ทางชิบหายโดยส่วนดีดิ่งลงไปในทางถูกแล้วถอนไม่ออกผู้ที่ดิ่งไปในทางผิดก็สอนยากถอนไม่ออกเหมือนกันนอกจากก็เห็นเองเป็นอิสระเองเท่านั้นระลึกได้ไหมระลึกได้ก็ดีจะขอถึงซึ่งพระพุมีพระพากับท่้งพระหันตะสัมมาทัา้งพระเจ้าตลอด ทุกๆ ท, ท่านที่เป็นสงสาวกของพระบรมศาสดาโดยใจความก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจเมื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจแล้วพุทธธรรมสงก็กลมกลืนเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่ดวงใจในปัจจุบันเหล่านี้เองพุทโธแปลว่าผู้ละชั่วทำดีธรรมโมทรงไวึงละชั่วทำดีสังโฆปฏิบัติ ละชั่วทานี้ับรงพุทโทธรรมสังโคก็อยู่ในหัวใจเราในปัจจุบันนี้เอง น, น่นนท่านที่มานี่แล้วใครได้ละหนังสือได้วยกมือขึ้นได้แล้วลได้แล้ ว, ลวท่านพยังไม่ได้โอ <c oughs> เลืองพระวานา <c oughs> เรื่องภาะวนาเป็นเรื่องร่วมบุญแบบไงได้ บ, บางนี่บุญท่านบุญศีลบุญอันไดอันไหนไปร่วมจะบุญภาะวนาได้ว้างพอภาะวนาพุทโธก็ให้เข้าใจว่าบุญทั้งหลายมาร่วมโยนี้ถ้าพระวนาทัมโมก็ดีพระวนาทังโคก็ดีหรือเอาทั้งพุทโธ ท, ทัพโมทัพโค ร, รวบกันแล้วว่าแต่อักษรนยอ่อจะซื้อพุทโธพุทโธนี่แปลว่าอักษรนยอ่อ โอ้ยเสี ย, ยาหายมาทายาเยอะเสียบ่ะน้ําเสียรับเสียนอนยงาสุภาพกันนอนไปซือคือควยบักเลนอนถุงตามตุงตามตื่นเคยมาหนักประหกักจินยากรกอ ด, กอดพะระกะบ่าไหวามาเป็นแนวนนอนรับข้าพาวนาผู้ใดรับข้าพาวนาผู้นั้นนั่นอนเป็นผู้ใดนอนพระพาวนาผู้นั้นนอนพรเป็น คือก้อยบักเล่นี่นอนวายพระพุทโธธรมโมสังโฆสามเทศน์นจะจังคอย ง, ยงูร่งกระดูกสิผูไก่เพิ่นในซา บ, บ้างไปยังตื่นขึ้นมาคือกันกวายสามเท้าพุทโทธธรมโมสังโฆแล้วก็จัไปเทงาญกระดูกกระสิผู้ับมันผูยกกรหันบงเปี่ยง นเขาสิญาติเอาอวนเจ้าจะนอนรับหลายลืนคล้องเหลือหล่นเขาจักว่าลูกคนโคเล่ทั้งแตรลากาลเกศชินไท่พระญามัจุราชมันจะว่าเอาไปเฝ้าลูกปัจบัิชินธรรมเฝ้าปฏิบัิชินธรรมเธอตาผ้าโลกมันจักเป็นเปโตรเพศเ น, น่าในหมอ รู้จักว่าอับายเนี่ยมัมนเสียปัญหาเนี่ยสุภาโลกมันจะเป็นเปตโต้เพล่เน่าในหมอกคนบ่มีวัดาสนาคือคนอยังไงคนบ่เหลี่ยมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดียวว่าคนบ่มีวัดาสนารู้จักบ่ก <c oughs> คนบ่มรู้จั ก, <c oughs> จกของดีมั่น คนเหลืองใส่ในพะระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนเมียวัสนาเป็นคนสางบา ร, รมีแก้ก้ามาแน่พอใจบอมันจะมาสางบุตรออีกผู้ที่เป็เหลืองใส่ในพะพุพระธรรมพระสงฆ์บุญไม่เป็นโต้จังไหนบาปไม่เป็นโตจังไหนไม่ก็เป็นโต้จังผู้ว่าวโยนแล้วมันจะเป็นโต้จังไรไอ้สั่งจะเป็นโต้จังผู้ปฏิเสธยอยู่งเหรเสียงว่าวปฏิเสธบาปบุญมันมันเสียงว่าวเสือเลยเสียง ตอบเสียงเสียมขุดชิดินฝังเจของมหาเทระสันที่หนึ่งคือพระธรรมาทั้พุทธเจ้าทั้งหลายสั้นที่สองคือพระปัจเจกทั้งหลายสั้นที่สามคือพระอรหันตตาฉีนาศพทั้งหลาย สั้นที่สี่คือพระอ น, นาคามีทั้งหลายสั้นที่หาคือพระสกทธาคามีทั้งหลายสั้นที่หกคือพระโสดาบันทั้งหลายเบื้องวาพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ทุกการทุกเวลามูเฮ้าทั้งหลายในท่ามพิสเพิ่งด้วยกายกรรมสามวิจิกรรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึง่ง มาแต่พอก่อนๆก็ดีได้กัจจวันนี้กว่า ด, นนาดีจะเป็นไปในขรังหน้ากว่าดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเรานั่นจงท่งวัตรโให้แกเฮาโยทะเมืองพมิตประม่านผลชดถ่ายมูเฮาทั้งหลายลจ ง, องอยประสบเจ้าคนเจ้าคนเจริญเนี่นนบอกว่าพระพุทธศาสนาขอพระเาซ้พุะทัยเจ้ายิางๆกันไปจนถึงที่สุดทุกโดยซ่อมโยทุกเมืองพมิตประมา่านก็ขาเกินได้ระว่างมูเฮาทั้งหลายทุกทนนาทั้งตั้งใจโลกธาตุ ต่างฝ่ายต่างเด่ทำผิดกันด้วยขายะ 3, ย่ำคสามขีคมสีมโนกำสามเมื่อในภพกรชาตกรกวีดดในพัจจุบันนี้กวีดดมูห้าวทั้งหลายทุกพักนนาทั้งต่โลกธาตุต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันทุกพันนายุทุกเมือบ่มีประมาททั้งยืนเดินนั่งนอนรับตือนจากเ่้าเท่าขอสู้ภาในบ้านผลจากทุกในาตาท้องสายทุกเมือบ่มีประมาทขอขัดเกลือาานเาทั้งหลายจ่องประกบแจ้ความสุขความเจริญทุกๆด้านทุกๆมุมในทั้งเที่ชอบ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่ทุโดโทรมรยสอบยรุดทรมเราพอมีอ ป, รมอประมาณกว่ากาเทอนอห้งตรงหห้พิเมฆวรรมนิธาบงยัตสะปาปังกระตังกรรมังกุปสเรนะปะหียติโสมังโลกังพระพาเทติอภุตโตวิจันเิมาอภิวาทนาสีนิษสเนจังมุฏฐาปจายโนจตารุธรมาวัฏจันติอายุวันโนสุ ข, ขังทระักใจในพระพุธรรมประสงค์ขณะเก็หนึ่ง ดีกว่าสนใจในทัพพตายโลกระถาดล้่นล่นาคณะเจ็บอารมณ์ของภูถือพระพุทธศาสนามันเป็นอารมณ์ไปส่วนดีเป็นส่วนมากถึงไม่ส่วนมากซับปนก็รู้ตัวกับว่าสามารถจะโคมไปมากเพราะมีพระพุทธศาสนายัางหัวใจเป็นดิงอยู่นด้ เป็นเครื่องเตือนใจอยู่พระพุทธศาสนาสอนเบื้องต้นสอนให้ทำว่าหากินในทางที่ชอบสอนเบื้องกลางสอนให้รีบเรลง่งปฏิบัติสิ่งธรรมควบกันไปสอนเบื้องปลายเรี่ยวเด้อเรี่ยวเด้อเร็วเด้อมาสั่นเดี๋ยวจะตายก่อนได้ไหมสั่นเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังสอนเบื้องปลายสอนให้เรี่ยวดวน ให้ฮัดผ้าว่าหน้าไว้ย่มไกลจะตายม า, ากก็จะได้เอามาเกี่ยมตัวอันชั้นว่าปวยมากล้วเอนหน้ า, าให้กินนะเว้ยมาล่าอุจจระปัสวะให้แน่มาซอยผิดเดนี่ว่าสำคัญเลยวันสั้นปากว่าไรตีงว่าไรหมืนนอนข้าขีข้าเงียวคน ม่จะล่มไห้ใจเมงเสินั่นละพริกใจถือกระถือกว่าถือกัะเพงกันละบาลเนี่ยเขาประฮัดภาวนาไว้ยามเมือหัวข้อสั้นบัดย่มหัวข้อเขินเป็นแหงเกินคกนกินยากเป็นค้นไห้ยาเชื้อใจไว้น้ำเพลินหวังเพิงตนอยู่ทุกมือทาพระเจ้าสั่งสอนเพื่อเหนือก็ย่งตกไตน้มพัดไปก็ย่างพ้า ถาม่อระมาดนาดแล้วใจเจ้าจักเพิงไผหวังให้ผู้อยู่ท่าหลังท่งบาบนไห้กว่าแสนไก่ล้านโยน ต, ตามก็ย่มชีมาการป่วยบนสวยวะฮอนถึงขั้นตายไปใหม่เอาเวีีสงอยู่ดังลือ้อปุศนที่ไปหอดใดในหันจีดขวงแท่นหน้าสมควนแล้วนิทิตาจดจอดมาหอดหนีถวายไววที่สูงแด่ถืน เจ้าเอคยขมุาะเกิดขึ้นมาในอ น, นั้นตังตื่นติวีมต่ไนลลองรล้วลองห่องวันตายยักอายสังขารเด่หอยเพ่พันแตงบ่สมเกเร่คอยผูกไวหห่วงเจ้าถับเพลิงผ้าขันปัญญาบ่าหวนเห็นนี่มิดมีปิดบังบ่ได้ฝังขุมถ้ำนำใจสงแจ คิดใจก็เลยแหงแสงพระธรรมวณัมทรงความลหลงไหลนับมือกลุ่มกลุ่มเจี่ยวเจียวใจถ้าใดพี่ก็น่าเตรียมไว้ความลหลงไหลก่อถอยออกพี่ก็น่าอยู่ไรอยู่เรื่อยจนใ จ, จตั้งเทียงถ้ำกำรรละอาจักนํามาสางในสองสารนับมืออาเพราะไดดวงแก้วฆาตธรรมพระเจ้าอําเพิ่งว่าเหงนานาิงหน้าลำชักเถงเนี่ยผ่านถ้ำเป็นแน่ เห็พี่แกหน้าแท่แท่จักเข็นแจกจกใ จ, จดอกหน้าคําโบล่างกินตะเายพูดเรื่องจริงให้เขืองเพื่อให้ภัยราะในเชิงกาบมันเป็นเรื่องจริงเด้ย่ยเฉลิมเป็นวันฉลองพระอายุของพระรม่าชินีนาฏครบรอบ6กสิปีคนทั้งหลายนากกนรใต่เต่าขาหา พระพุทธธรรมพระสงค์ย่อมโดยกุศลผลบุญผลพุนีบุญไว้เป็นตัวจังไหนก็เป็นตัวจังสันตัวเสีเป็นเขาเป็นหนาเรีนซ้นคืนว่าคือข่อยนี่บ่มาด้วยอำนาจพระพุทธธรรมพระสงค์ไปด้วยอำนาจพระพุทธธรรมพระสงค์ถึงเสียนี่ผู้เข้ารบนับถือพระพุทธธรรมพระสงค์เพียงเขาง้อก็ตามกาได้ก็ได้แจกของดีๆ ของดีต้องเมี่น้อยขันเมียม่ยไรบ้านกรเฟอรือก้าเจ้าท้องโซ่ทั้งไตโลกรธาตุทํามั่วกับเพื่อต้นและไตโลกรธาตุผู้ทํามวง่บ่เพื่อบ้านกระเพื่อเยอะในตัวเจียใจเป็นม้อระดกดังเดิมจะเอาออกไปฆ่าบุนฆ่าบาปเก่เอาออกจากเจียใจนะั่นแหละกําไลกับมหาเกียจท้าใจนะั่นแหละ เพามันเป็นผู้หองจักรกรูผู้ลังคพราวา่าหลวงปู่ไรผีออกไห่แน่พีาชั้นไรผีกับไรออกจับกไก่แล้วใจว่าถือผีผีกับ่ยูหันใจ่ถือผีผีก็บยูหันผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นสูตร เทิงหองลุมหองเทิงนี่ฉันชอบเย็นนะ่นนี่ฉันที่ขอจองท่านผั ด, ผดล่มมาั่นี่คนนี้ลอยเอ็ดเนี่ยนี่ฉันที่เอาบดนท่านทั้งลุมกับแม่น้องเลาทั้งเทิ้งกับแม่น้องเราชอบเมืดด้วยฉันที่ขอเอาไฟ่นพวงไฟมือี้นี่ฉันก็สิเอา คน่ยกันอาบ่าได้แพ้แลยขอข้าเจ้าเด้บ่แพ้บ่ขอจะแฉะข้ากับมาเอามา่หายเว้ยมันห่อนหอดไทยเทวาราตอินกาหินศิลาเลยแกนแขงกระด้างนิสัยของโตเป็นคนขอเปลี่ยนคนห่า ง, างๆว่งหนี่มาใน่ชิดทั้งซี ขันหูจักคือข้าเจ้าติเพ่งทุกดเท่าโอ้ยพระชีทุกองนี่กูเข้าไปนี่ทีขออี้ยงกูนอคือสีบอกยังสั่นีงเข า, า, าว่าถามเขาบอกว่าบอกเดี๋ยวนี้สร้างกุฏิวิหารอะอันนี้ถ้ า, าบาว่าข้าเจ้าถามข้าเจ้าห้องก็ บ, บอกไปเป็นค่ำๆเสียงตีไม่เฮ็ดยังนะท่นถ้าตีไม่เฮ็ดกุฏิหรือเฮ็ดซาร่าท่านห้องกระเล่าท่ า, กานก็ บ, บ, บอกแบบว่าไม่ไป คาดอันนั่นบ่พ่ออันนี้ขอให้คนโยมช่วยบ้างไอ้สัตว์สิบ่มีในห้างพูดได้เพียงเพียงเพียงเลยอะไรเทวดายันธรรมเนียเป็นมูกระไรย่อมตนพกใหม่เลยคือตั้งคําสัตว์ไว้ว่าสิบพ่อพาร์ตัดบ่ไอ้พ่พาร์บอัดตั้งคําสัตว์ว่าสิบ่ไปนอนในโรงพยาบาล การรักษามาได้ถึงห้าหกปีเนี่ย 6, มกห่วยประมาสิ 12, บสองว่าเป็นสิบสองปีั้ยตั้งยี่สิบปีรักษามาเลตัวอยู่ไปกว่าโลกอยู่ห่างพอยอมนอนเฮ็ดกระทบกระเทือนโลกวะว้าบริเทดดกครูบาอาจารย์พ้นไปนอนวานไหนพ้นทํำประโยชน์ให้แกเขาเขาได้กำไรส่วนตัวนี่ไปวานไหนกับนักบวนหันนั่นแล้ว อำนาจปาร์ธนาตัวพวกนี้เออเอาอย่างติ้ต่างเอามอาให้เพื่อนในนี่ได้เพราะเอามาอย่านี้กัติ้ตาง ม, มาก็ได้หรอกมันกับพระปารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแหล่มันก็นเอาเนื้อผ่านสมบัตินาเดียวนั่นแหละผู้ยังอ่อนอยู่กับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัตินื้พ่านสมบัติเนี่ยเว้ยผู้แก่กล้ามากเลยอ่ะกัอุปมาคือง่วมันอยู่ในคอก ตัวใดหน่อยก็ร้างไงกระทำมันอยู่ใก่้ประตูพ่อหน้าย่อบานเปิดประตูมันก็ออกก่อนมูชั้นใดก็ดีผู้สางบา ร, รมีแ ก, ก่กามาแลวก็รีบเร่งเพ่งเพี้ยนภาวนหน้าต้องออกจากก่อนมูไปมาตัวใดมันขาดีมันก็ะเลน่นออกก่อนมาขาหัด ทิมมาขาหักไกวทั้งหลังตกวก็ไม่เคยไม่มาจะเกล่ยดรอกเคยไม่ไแต่ไกวตัวเดียวตาบอ ด, บอดผู้เห็นภายในวัฏจสงสารย่างเต็มที่ผู้นั้นก็เปิดประตูพนันธุ์านอยู่ในตัวผู้ใดเพลิดเพลินในวัฏจสงสารผู้นั้นก็เพลิดเพลิน ในหลุมฐานเพลิงทำชั้นสูงคำว่าวัตตะสงสารแล้วมีแต่เกิดแต่แก่แต่เก็บแต่ตายแต่ไม่สมประสงค์อีกด้วยเพราะพระอเนกจังพระทุกขังพระอนัตตาเป็นผู้พุกครองโลกอยู่แล้วเหตุฉะนั้นท่านผู้สร้างบา ร, รมีแก่กามาแล้ว จึงดิ่งยินดีในพระนิพลโดยท่ายนีย้ออโอนไปเอนไปให้ทานข้าวเม็ดผักผักเส้นหนึ่งก็โอนถึงพระนิพลด้วยพุทธโธคำหนึ่งก็พุทธนรพนธรรมเนรพลสังคันิพลเลยไม่ใช่พุทธเลขทำเลขสงเลขทีนี้จิตใจของท่านผู้นั้นหรือเหล่านั้น ก็เป็นเจตนาโลกุตะไม่ใช่เจตนาโลกีผู้ใดปาตถนามนุษย์สมบัติสวรสมบัติพรมสมบัติอยู่แล้วจึงเอาพระน า, พานไวท้ทีหลังผู้นั้นบารมียังอ่อนอยู่เมื่อรู้ว่าอ่อนก็รีบทำให้แก่เมื่อรู้ว่าแกแล้วก็รีบทำให้หลดพ้นนั่น ลดพ้นจากอะไรจากความหลงของตนที่เคยหลงมาในวัฏจักสงสารนี้เองปัญญาเท่านั้นจะข้ามความหลงของตนได้เมื่อปัญญาสูงศีลก็สูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงปัจจุบันก็สูงนะัโมก็สูงนะัโมคืออะไรคือนอบน้อมเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏจักรสงสาร ไม่ได้นอบน้อมเพื่อขนมหรืออวดหน้าแขกไม่ได้นอบน้อมเพื่อแก้ตัวเพื่อพออยู่รอดในสังคมนอมน้อมเพื่อพ้อนทุกในวัฏสงสารเคารพทำจำหนงุงทำอันไม่ตายนั่นหนัก พูดกับท่านผู้อื่นเราก็พูดมากถ้าอยู่แต่เราองค์เดียวเราก็ไม่มากพูดกับท่านผู้อื่นก็ต้องพูดตามโวหารคําว่าโวหารก็หาลงมาในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมนี้เองปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมนี้เองจะเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาอันไม่ปลอม อดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธ ร, รมมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแงนครนแคลนในทางพระพุทธศาสนาเลยท่านผู้ใดไม่เชื่อในธรรมปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ไหนไหนมาเทศก็ฟังไม่ออกบอกไม่ถูกปลูกไม่ขึ้นปลุกไม่ขึ้น ก็ว่าปลูกไม่ขึ้นก็ว่าศีลจะมีมากสักเพียงใดก็าตามย่นลงมาเป็นเอกศีลในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นฌานแปลว่าเพ่งอยู่เพ่งอยู่ในความตั้งมั่นก็เอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์ ปัญญารอบรู้ในปัจจุบันตกปรงศีลสมาธิปัญญาก็รวมพลกันในปัจจุบันนี่เองปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันของพระสักทาคามมปัจจุบันของพระอนาคามมปัจจุบันของพระอรหันต์ปัจจุบันของพระปัจเจก ปัจจุบันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันทางหลายเหล่านี้มียิ่งยอนกว่ากันยาไปตีเสมอกันเลยเดี๋ยวจะเป็นปราศยกตนเทียมท่านเดี๋ยวจะเป็นธรรมพระหัวดือ้อจะเดี๋ยวจะเป็นสารัมพระแทงดีกับท่านเดี๋ยวจะเป็นมานะความถือตัว เดี๋ยวจะเป็นอติมานะโดมินท่านมันมีในกิเลสสิบหกประเภทอุปกิเลสคือโทษเครื่องเศร้าหมอง1ิบกอย่างอาภิชาวิสมาโลภะละโมไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งสองโทษสรยตาดสามโกรธโกรธสีอุปนหะผูกโกรธไว้ ห้ามัคคะลบบุบนคนท่านหกป ร, ราศตีเสมอคือยกตนเทียมท่านเกติฉาริตสยาเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้แปดมัฉเรยะตรณีเก้ามายามสิบตีอาิมาติม า, า, มานะฑูบิ่นท่านสิบห้ามัทะมัวเมาชิบหกประมาทเลินเล่อนักพระบรมศาสนามเทศได้หมดเลย ไม่มีสิ่งไหนที่จะไม่เทศเพราะคำสอนใดๆไม่เรียบร้อยไม่เต็มบริวณเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาดอกเหตุนั้นพระบรมศมาสด า, าจึงกล่าวแก่ภิกษุว่าทรมวิัยอันใดก็ดีเราตถาคตได้แสดงไว้ในโลกเต็มตื้นพอแล้วตถาคตยลาท่านทั้งหลายไปละ ถ้าหากว่าตถาคตยังไม่ได้เทศให้พวกท่านทั้งหลายฟังให้ครบถ้วนตถาคตก็จะได้เพ่งโทษตนเองตอนนั้นเราก็ไม่ได้เทศให้โลกฟังตอนนี้เราก็ไม่ได้เทศให้โรกฟังก็จะเพ่งโทษตนเองฉันได้ก็ดีได้ว่ารีบูนหมดแล้วทั้งอัฏฐทั้งพยัญชนะคำสอนแต่ละบทละบาทนั่นเอง จะเป็นศาสตราแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้เสียใจเลยเราจะราท่านทั้งหลายไปละพระรมศาสต า, าคำสอนแต่ละอย่างละอย่างนั่นเองเป็นศาสตราแทนพวกท่านทั้งหลายมรดกของเราตถาคตใครจะเอามากก็มาหมด ใครจะเอาน้อยก็แล้วแต่ศรัทธาไม่เหมือนวระดกในทางวัตถุนิยมทางวัตถุนิยมแย่งกันใครเอามากก็ได้มากอันนี้ไม่หมดเป็นเท่ากับโลมศาสตร์แล้วนั่นวาระดกทานศีลภาวนาที่เราสั่งสอนไว้แล้วศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นศาสตราแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ศกเศ้าโศกเศ้าเสเียใจเลย ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเขารบธรรมผู้นั้นเขารบเราผู้ใดประมาทธรรมผู้นั้นประมาทเราและผู้นั้นก็ประมาทตนด้วยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมและก็เห็นตนเองด้วยนันผู้ใดยินดีในธรรม ก็คือผู้ยินดีในตนเองนั้นและผู้ใดประมาทธรรมก็เรียกว่าผู้นั้นประมาทตนนั่นเองเพราะอริยธรรมเมตโตณโรอริยธรรมอยู่ที่นอในคนแต่และท่านและท่านมีอิสระอยู่แล้วคนเราใจถึงทุกท่านใจถึงในทางธรมรมดีก็เรียกว่าบรนทิต ใ้ถึงในการทําชั่วค เ, เรียกว่าคนผ่านคนเราเป็นยาเสพติดทุกทุกท่านพระรหันต์เป็นยาเสพติดทางไม่มีกิลเลสนอนเป็นยาเทพติดทางกินมูดพูดตลอดทั้งแมลงวันแมลงพึ่งเป็นยาเสพติดกินเกสรดอกไม้ คนผ่านเป็นยาเสพติดทางเบียดเบียนนักปราดเป็นยาเจบติดทําประโยชน์แก่ตนและท่านผู้อื่นอันไหนมันดีเราก็เรียกเอาสิคนเรามีอภินิหารทุกทุกท่านผู้ทําชั่วก็มีอภินิหารทําชั่วพึงขายต่อความชั่วผู้ทำดีก็มีอภินิหารต่อทางดีพึงขายต่อความดี แต่แต่แต่แต่ผลมันให้ต่างกัน <laughs> บางท่านตอบว่าถามว่าถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นนรกสิก็ต้องเห็นสวรรค์สิ <c oughs> ผู้ใจสูงตอบว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีมันเป็นกองทุกขเขาไม่ยินดีเสียแล้วเขายินดีในพระนิพพานสิ่งดี <c oughs> จะหาว่าเขาไม่ยิน ผู้จะยินดีในพระนิพพานก็เพราะเห็นคุณค่าสวรรค์และนรกแล้วจึงเลื่อมใสในพระนิพพานไม่ใช่ว่าตื่นข่าวผู้ใดเห็นภัยในวัฏสงสารผู้นั้นเปิดประตูพระนิพพานแล้วผู้ใดเพลินในวัฏสงสารผู้นั้นเพลินในลุมฐานเพลิงแก่เพลิงเก็บ เพิงตายเพิงโรคเพิงโกรธเพลิงหลงเราจะข้ามโลกด้วยวิธีไหนล่ะข้ามทะเลหลงของตนที่เคยหลงมาในวัฏสงสารนั้นเองข้าแบบเย็นเย็นแบบพึงผายด้วยแบบยิ้มแ ย, ายาม้มแจมใสสุขสำราญบานใจด้วยน่ะ ทำแต่ละบทละบาทของพระพุทธศาสนาส่งต่อพระนิพพานได้หมดทุกคำเลยณโมคำเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานได้นอบน้อมจนไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บ ม, มาตายในวัฏสงสาร น, านั่นพุทธังสรานางังคัจฉามิธรรมังสังรังทุติตาติกเหมือนกัน ไตรสนธคมของพระอรหันพระอาหารหันต์เรียนไตรสนธคมจบแล้วคมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏสงสารคมจนไม่สงสัยในวัฏฏสงสารเห็นแล้วลูกไม้ของวัฏฏสงสารมันไม่มีมากเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปวนแหละแต่สลายไปนะัก เลหลงไม่อยู่สี่ข้อพระปัญญาเท่านั้นจะข้ามได้หลงอดีตว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาหลงอนาคตว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั้นอันนี้มันเป็นธรรมชัดสูงพูดแต่นามทีนี้พูดรูปที่นี่หลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสวยของงาม หลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของเที่ยงหลงนั่งหลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสุขหลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นนั่นน<ๆ>ั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้เทศนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังอ่าในพระพุทธศาสนามาจะใส่เหม่ คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระเทระชั้นที่สองคือพระปัจเจทั้งหลายพระเทระชั้นที่สาคือพระอรหันตตาชีนาศพทั้งหลายพระเทระชั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งหลายพระเทระชั้นที่ห้าคือพระสกทาคามีทั้งหลายพระเทระชั้นที่หกคือพระโสดาบันทั้งหลายพระเทระทั้งหลายเหล่านี้แหล ถ้าพวกเราทั้งหลายได้ทําผิดองค์ท่านด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่ ม, 4, มโนกรรมสามอะไรอันหนึ่งมาแต่พบก่อนก่อนก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีปัจจุบันนัการนี้ก็ดีขอให้พระเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอดโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลทดท่าพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบารมีระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุก โดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีั่วทั้งไตรโลกาถ้าหากว่าการฝ่ายกางได้เคยทาผิดกันด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสีมโนกรรมสามอะไรอันหนึ่งดังกล่าวมาแล้วนั้นพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าพวกทั้งไตรโลกาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทินผลชุดท้ายพวกเราทั้งหลาย ต้องประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุธทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกทวันนาอยู่โดยทุกเมื่อเธ อ, อห้งตุงเฮฮิปิเมธมิตา บ, บางยัยักปาปังกะตังกรรมังกุสเรเปนภะติโเตมังโลกังสภาวะเสติ พระมตโตวจันทร์ที่มาอภิวาธนาสีิทธะนิจังวุฒาป จ, จารีโนจัตตารโรุธรรมวาวจันติอายุวันโนสุขังภะลังหานลงเอกวจนะจัดลงเอกวจีวจนะคำว่าโมหานก็คือหานลงมาในปัจจุบันคำว่าโวหรก็เหมือนกันก็หานลงมาในปัจจุบัน ก็ไม่สงสัยเลยมากก็อกมากออกไปจากหนึ่งน้อยก็น้อยออกไปจากหนึ่งเหตุฉะนั้นจึงไม่สงสัยในเรื่องน้อยและมากคนเราจะมีมากสักเพียงใดก็ตามก็มีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นถ้าทำบาปก็ต้องเป็นบาปถ้าทำบุญก็ต้องเป็นบุญเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลย เองก่อขึ้นบาปอันใดใครก่อถ้าเราก่อมันก็เรียกว่าเราก่อถ้าเราไม่ก่อมันก็เรียกว่าไม่ก่อบาปบุญไม่ได้ขึ้นมาลอยลอยขึ้นมาจากเกตใจของพวกเกราที่สร้างขึ้นสร้างบุญบุญก็มาหาใจ ไม่ได้ต้อนเข้าคอกยากเหมือนโคและกระบือสร้างบาปบาปก็มาหาหัวใจไม่ได้ต้อนเข้าคอกมาฮือฮ า, าเหมือนโคและกระบือเลยเหตุนั้นจึงยอมเขารบนับถือพระพุทธศาสนาอยู่อย่างถอนไม่ออก ผู้ใดไม่เคารพพระพุทธศาสนาะผู้นั้นบารมียังต่ำอยู่เนอผู้ใดเคารพรักพระพุทธศาสนาะบารมีผู้นั้นสูงแล้วเนอ เราระท่ะนวะ้ า, ายอย่างร่างกายมีทุกข์มากมีโทษมากเราอาพาต่างๆย่อมตั้งอยู่ในกายนี้ในคิรมานนทสูตรพูดมากอธิบายมากสูตรของพระคิรดมานนที่ท่านอาพาธ เทพพระบรมศาสดาให้พระอานุ์ไปเทศอาทินวสัญญาคือความเป็นโทษแห่งกายมีโรคมากเดี๋ยวนี้โรคหัวใจเอ๋ยโรคลูกหมากโตเอ๋ยโรคถุงดำดีเป็นนิวเอ๋ย โรคไส้เลื่อนเ อ, อ๋ยโรคภูมิแพ้เ อ, อ๋ยโรคแคราเป็นหัวจักเขาเขาบอกว่าขอไปด้วยขอไปด้วยเขาก็ไปด้วยโรคชคระเป็นหัวจักเขาโรคไส้เลื่อนเป็นมาแล้วสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเขาเอาไป จนถึงโรงพยาบาลชิมิติเวศเขาล่วงไปเออจะไปด้วยวิธีไหนหลวงปู่ไม่ได้ไปหลวงปู่สมาทานไม่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลเออถ้าอย่างนั้นก็กลับพอกลับแล้วสามีวันก็มาอีกพวกลูกๆไปเคลียเขาไว้แล้วไปเช็คโรคซะ หลวงปู่เกรงใจมนุษย์ใครๆเอาอยาที่ไหนมาให้ก่อฉันทักทักทักเดี๋ยวมันเกินไปนะหลวงปู่นะเขาบอกลูกๆจะเอาไปเช็คโลกว่าสมควรจะเพิ่มโลกอะไรจึงฉันยานะหลวงปู่เขาไหวดีเหมือนกันเออถ้าอย่างนั้นก็ไปแบบฝืดๆก็ไปวันนั้นกับวันนั้น ไปขึ้นเครื่องบินที่อุบลแล้วก็กลับในวันนั้นเขาก็ซื้อตู้รถไฟด่วนนอนให้ทุกจริงๆทุกจริงๆมาแล้วก็ไม่ได้ตรวจออ แ, แ, แต่แต่ก็ไม่ได้ผ่าได้ตัดทีนี้ข้าวก่อนก็ท่านอาจา ร, รย์เดนมาแล้วกัท่านอินมาด้วยนะคนหมอ คุณหมออดอมมาด้วยมาแล้กวนที่มาแล้กวนผ่าที่ตักเนี่ยแล้วก็เล่าให้เล่าเรียนให้ฟังขอเวียงวอนไว้พระในตั้งสัจจะไว้แล้วทีนี้ซ้ำท้ายมีห้าเรื่องหกเรื่องเก็ดเรื่องเรื่องนักหน้าีีน้เรื่องสุดท้ายมันเป็นเรื่องของพระบารมีราชาเอีเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอ เราก็แก้อีกถวายพระพรแก้ก็เลยตกมาเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเเรื่องนี้หนักมากเนี่ยเรื่องนี้หนักมากแก้ตกแล้วเนี่ยไม่นึกไม่ฝันเลยไม่นึกไม่ฝันว่าคนป่าคนดอยจะแก้ปัญหาอันนี้ได้อ่านอ่านให้เพื่อนฟัง คนป่าคนป่าแก้ปัญหาพรนครหวงพระป่าพระดอยถูกไหมล่ ะ, อ, ะ, อ, ะอ่านถวายท่านท่านฟังกรรมใช่กรรมเอากรรมงใครก็มันเราขี่มูลาขียมาแห้งท่านก็ยังมาอีหนอีเหนกับเราอยู่ก็เป็นบุญอันล้่นเหลือแต่ว่าเรารัก คำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิตนี้เป็นของสําคัญมากสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนจะตายด้วยตั้งสัตว์ไว้ก็ยอมตายเรียกว่าสัจจะปรมัตถะปารมีสัมปันโนอธิษฐานไว้แล้วอธิษฐานปรมัตถะปารมีสัมปันโนจะตายด้วยอธิษฐานก็ยอมรับเรียกว่าอธิษฐานปรมัตถะปารมีสัมปันโน ทีนี่เก่าเรื่องอื่นต่อไปอย่าง น, นีเอาได้ไีมพระป่าพระเขาง่เง่าเต่าตุนทำไมถึงตอบได้ด้วยอา น, นาจธรรมะของเราที่ปฏิบัติมาเราก็ตอบได้สิเพราะเจตนาของเราเป็นอย่างนั้น ถ้าเจตนาดัดแปลงเราก็ตอบไม่ได้อาจหานต่อความซื่อสัตย์ของตนต่อเจตนาของตนที่เป็นอย่างนั้นเอา้าเอาอันอื่นไปอีกทีนี่หมดปัญหานะหมดปัญหาไหมหมดแล้วท่านอาจารย์แบรน มานิมนต์ให้่าให้ตัดค่าวนั้นน่ะไม่ได้พาได้ตัดหายโกรธแล้วหรือยังปวดไม้ขาวนั้นหายโกรธแล้วหร่อยไม่ได้โกรธนะท่านอาจารย์แบ์เข้ามาคุณอินก็มาแล้วคุณหมออุดมก็มาเออถ้ากล่าว่าหายหายแล้วขอบพระคุณมากอนะคุณหมออุดมแกก็โกรธบ้า โมหะสัจจะแกก็พูดอย่างนั้นก็ยอมให้แกพูดซะหรือถ้าแกไม่กลัวก็ไม่ทราบคุณหมออารมยังไหมทุกวั น, นไปแล้วนะท่านยังไหมทุกวันจู่รู้รู้รู้สึกใจยังยังไหมเออยังอยู่ปฏิบัติพ ร, พระพุทธศาสนาเพื่อพันทุกปัญหาไม่มาก ที่ปัญหามากเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่ากิเลสมากปัญหามันก็มากความมุ่งหมายมากปัญหาก็มากความไม่มุ่งหมายมากปัญหาก็ไม่มากเมื่อทราบดีว่าโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์มีอนิจจังทุกขังอนัตตาผูกขาดจองขาดประจําระวทั้งหลายอยู่แล้ว ทั้งโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันด้วยสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เอาเราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรมาพระเจ้าหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประภพเจ็ดหกชั้นและรูปพระภพสี่ชั้นโลกทั้งหลายที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็ย่นลงมาเป็นสังขารโลกแล้วลงย่นลงมาเป็นเอสกะสังขารโลกแล้วสังขารโลกแบ่งออกเป็นสอง สังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองที่มีใจครองเรียกว่าอุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเรียกอนุปาทินกะสังขารสังขาราภะมาทุกข์าสังข า, งขาราขาขาเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าเห็นตามเป็นจริงพร้อมกับลมเข้าออกแล้วฉะไหนมันจะมีปัญหาอีกว่า นั่นนั่นนั่นที่ไหนนั่นลงที่ใจนี่ที่ไหนนี่ลงที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดนั่นเห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาขาณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นดังนี้ปัญหาจะมีอะไรอีกมากน่นนั่ น, น, นควาหวังในโลกทั้งปวงความเพลินในโลกทั้งปวงก็ต้องห้ามเบรกสิถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่เห็นเรียกว่าเห็นตามสัญญานั่นนั่น นเมื่อใดเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพร้อมกำลมออกเข้าแล้วเมื่อนั้นย่อมนายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกรมตืนกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนักนักไม่ต้องบัญญัิมากก็ได้นักนักนักบางท่านบอกว่าเอ้ย ดิฉันกับผมภาวนามันไม่ข้ามเวทนาเออมันเต็มทีแล้วเออถ้าสาคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าว่าไม่สาคัญอย่างนั้นแล้วมันก็ข้ามอยู่ในตัวหนะักหนะักหนะักจิตของดิฉันจิตของผมมันไม่ว่างสาคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่างสินะ เอาละที่นี่พูดด้านอื่นทช่ไห น, <c oughs> นิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตในว่าพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปนิมิตเพ่งอารมณเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารูณนิมิตนิมิต ท, ทั้งสองเกิดขึ้นในกาแลพวงแลแต่แลบนั่นนั่นนั่นั่นนันี่นีน่น น, น, น, น, น, นี่นี่นัน่นนัถ้าภาวนาในอาดีก็ต้องไปเห็นนรกสิ เขาไม่ยินดีแน่โลกแล้วทํำไ้เขาเห็นทําไมนรกมันเกิดขึ้นแล้วไ ป, ปลภวไดแตกสลายมันเป็นทุกข์ถ้าภาวนาในนาดีก็ต้องไปเห็นพรหมโลกสิพรหมโลกมันอยู่ใต้อานาจอันนี้จังทุกขังอนัตตาเขาเห็นทางปัญญาแล้วยสมันตจักจุจักจุรอบครอบปัญญาจักจุจักจุคือปัญญานั่นนั่นนั่นนั น, นั่นนั่นนั น, นั่นเออบางท่านก็บอกว่าพระศีอริยะเมตตาลงมาก็ลงมาสิหลอกกินขนมเขานั่น ภาษีอะไรเมตใจพิว่าอะไรจะลงมานั่น น, นั น, นเพราะภาษียาเมตใจไปนี่มันไม่พอสามเดือนในชั้นดูสิอีกเสียด้วยภาษียาเมตใจจะได้ลงไปเกิดในเมืองพาราในสีเดี๋ยวนี่พาเทวบุตรเทวดาไปไหว้ท่าเจดเจ้าจุลมณีประจํะาจวันอยู่เจ็ดแสนโกดนักนันะักนะนะเราไปโกหกกินขนมเขาก็ลงมาสิ เยวังเอาละนีถะ้ถูกไหมล่ะท่านอาจารยเบรนเน่ถูกไหมล่ะขี้เทปไปยังไงเลยเนี่ยไหนขี้เทปดอกที่นี่จะว่าอะไรก็ว่าซักทีนี้มีคนเดียวพูดมันเบื่อหูอ่ะอยาฟังเองเหลอ อดีตคืออะไรอืมไม่ต้องเอาละอืมอันอื่นมันมันใกล้มามันดังเกินไปอดีตคืออะไรไม่ต้องว่าหนึ่งสองสามหรอกโรย <laughs> อดีตคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันคืออะไรคือผู้รู้ที่กําลังอยู่เดี๋ยวนี้ผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้ใครเป็นเจ้าของเล่าถ้าหาเจ้าของมาได้ผู้รู้ก็ต้องวางไปเองในตัวไม่ต้องทํากิริยาวางถ้าทํากิริยาวางอยู่ก็ไม่ถูกเมื่อผู้รู้เป็นสภาวะทำเป็นกลางเป็นสังขารอันละเอียดแล้วไม่ต้องทําท่าทําทางวาง ต้องทำเกียตให้ว่างต้องทำเกีติให้ว่างมักพูดกันบ่อยๆเมื่อสำคัญเิตว่าเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่างถ้าไม่สำคัญเิตว่าเป็นตนตนเป็นจิตแล้วมันก็ว่างเองมันไม่ต้องทำท่าทำทางเช่นเราลืมตาขึ้นเหมือนกันไม่ต้องทำกิริยาให้มันเห็นมันเห็นเองมันมันว่าง มันเห็นสว่างเองมันยิริยาที่ลืมตากับผลของการลืมตาไม่อยู่ห่าง ก, กันพอเก้ามีในคณะเดียวกันเลยเหตุกับผลก็ไม่อยู่ห่าง ก, กันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุก็ดีพืชก็ดี กรรมก็ดีมีความหมายอันเดียวกันผลของเหตุผลของพืชผลของกรรก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนจะไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุพืชกรรมเป็นประมาณผู้ใดสงสัยในเหตุผู้นั้นก็จะสงสัยในผลผู้ใดสงสัยในผลผู้นั้นก็จะสงสัยในเหตุนั้นนั่นทำมุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัคคัญตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้นั่นผู้รู้จักเหตุจักผลก็คือพรหมจันท์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเราดีๆนี่เองบางท่านบ่นพิไรํารพันธว่าจะปกครองกันด้วยวิธีไหนล่ะ ประชาธีปัจจัยประชาธิ่ปัตจัยพระพุทธศาสนาเป็นประชาเป็นธรรมมาที่ปัไตยทุกยุคทุกสมัยของโลกแต่ชาวโลกขี้โอ้คว้างปลาข้อนข้ามต้นมะม่วงไม่เอามาปฏิบัติพระบรมศาสตรายืนยันแล้วทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างทีรี ความละอายต่อบาปโอตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเท่านั้นจะพกครองโลกได้ถ้าโลกไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกัดหมู่กัดพักกัดพวกก็ตั้งไม่อยู่อูของคำไม่นำคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความเชื่อในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รักนั่นนั่นนั่นนั่นที่ไหน นั่นที่ใจของผู้ฟังและผู้เทศนั่นออกไปทางอื่นมันก็มาไปมันก็โค้กมาหาผู้ฟังและผู้เทศนั่นเพราะมันออกไปจากใจมากมันก็มากออกไปจากใจน้อยมันก็น้อยออกไปจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจนั่นศีลมีตัวเดียวคือตัวใจสมาธิมีตัวเดียวคือตัวใจปัญญามีตัวเดียวคือตัวใจ ย่นศีลสมาธิปัญญาไตรสิขาลงมาในใจเป็นเอกนิบาตเอกนิบาตแปลว่าทำมีบทเดียวนะแปดมื่นีพธรร ม, มขันพระหูวัจะนะนนนพระพูดมาก ไอ้ที่แทยนลงมาหาใจเลยมโนพระพังธมาตมามโนเศรษฐามโนวายาำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่วิในทั้งหลายก็มีใจเป็นใหญ่สมาธิทั้งหลายก็มีใจเป็นใหญ่เหมือนกันนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่งอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนนี่เองนั่นนั่นนั่นไตรศิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาตั้งอยู่ที่ดวงใจแต่ละท่านแต่ละคน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 อสงไขยก็าตามก็ออกไปจากรักหน่วยจะย่นลงมาก็ย่นลงมาหารักหน่วยคือรั ก, กจิตรักใจของเรานี่เองที่สมมติว่าเราเรานี่เองเทศอยู่ 4, 5, สี่สิบห้าพันษาเทศผู้นั่นอยู่เมืองนั่นเทศผู้นี่อยู่เมืองนี่เอามารวมไว้อาอะเทศก็มีศีลสมาธิปัญญาอันเดียวนั่นเองปฐมภพทีการ ที่พระบรมาศาสดาเทศแสดงธรรมจักรพรรดิ์น่าสุดปาราชิกสี่ยังไม่มีสังฆาทิเศษที่สามยังไม่มีอันิยอดสองยังไม่มีนิสเคียปายตี30มสีปายตีก็อยู่สองปายตีสีสี่สีวัดเจ็บห้าก็ยังไม่มีอธิกรณะสมรรถกิจก็ยังไม่มีชไหนจึงถึงพระโสดาบันช่ไหนจึงพ้นจากกองทุก์ได้ด้วยรวมลงในอนิยสัตว์สี่ เพราะเหตุว่าทำแต่ละบมดละบาทมันครบพระตไตรปิกอยู่แล้วเช่นธรรมาจากักรกับระวนะสูตรมันก็ครับใจพระตไตรปพกอยู่แล้ว อัดทั้งขี้โกะมัดโพไะที่ทางสัมมาดิเสมมิสัมมาตะโตสัมมาวายากรรมันตวอจิวายา ม, มสติส ม, มาธิมันย่นลงในไตเสียขามันมีทั้งศีลส ม, มาธิปัญญาอยู่ในตัวแล้วเหตุฉะนั้นทำแต่ระบทดระบาดของพระสัมมาจัมพุทธเจ้ามันก็ครบพระไตใจพิดกอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับท่านผู้มีปัญญาจะเห็น ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ที่โง่ผู้สร้างบารามีแก่กล้ามาแล้วมันกระเพลงเลยน่นผู้สร้างบาลามีแก่กล้ามาแต่พบก่อนเช่นพระพาหิยะท่านสร้างบาลามีมาแก่กล้ามาแต่้าพระเจ้ากัตปะผลักบันไดทิ้งขึ้นไปอยู่ในภูเขาเวลานี้คนไม่รักษาศาสนาแต่ศาสนายังอยู่ไม่เคารพกันตาม ผู้น้อยผู้ใหญ่พวกเรานี้เถิดขึ้นไปภูเขาไปถักบันไดทิ้งซักในข้างพระเจ้าก็จะปะขึ้นไปนสี่ห้าองค์ด้วยกันถักบันไดทิ้งใครดีก็ไปบินธบารมาเลี่ยงกันใครไม่ดีก็ตายกันอยู่นี้่นะพวกเรายันทิ้งบันไดลงเถงเลยส่วนจําพวกหนึ่งท่านสําเร็จพระรหันจําพวกหนึ่งท่านเป็นพระอนาคามี ส่วนพระพาหยะทารุจิยะนี้ด้วยอาเิสงฌานท่านไปเกิดในรูมโลกยังไม่ถึงพระโสดาบันยังไม่ถึงสกทาคามเมยังไม่ถึงพระอนาคาเอีอันใดอันหนึ่งเลยพอถึงการศาสนาะพระสมมาส พ, พุทธเจ้าของเราท่านก็เลยลงมาเกิดเพราะสมาธิท่านหัดแล้วในชาติก่อนๆชำนานมาแล้วทีนี้ พอมาถึงพระบรมศาสดาของเราพระบรมศาสดาประเทศบาดคาขาเดียวรบกวนพระบรมศาสดากําลังไปบินทบาทพระบรมศาสดา้าอยากจะฟังเทศว่าเออเวลานี้เราบินธบาทอยู่ไม่ควรเออบางทีพระบรมศาสดาสิ้นลมปราณ น, นะบางทีกับผมก็จะสิ้นลมปราณ น, นะเออดีละถ้าคุณพูดอย่างนั้นมันไม่ยากเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักวาเห็นเนอะ ครับพอแล้วพอแล้วครับนั่นนั่นั่เพราะเหตุได้เพราะท่านเทศอนตตาใส่เป็นตรักสรูปเป็นตรัสว่าเห็นไม่ใช่ใารไม่ใช่บุคคลก็เลยถอนอุปาทานในที่นั้นกามุปาทานถือมั่นกามทิฏุปาทานถือมั่นทิฏฐิก็ไม่มีสีระพตุปาทานถือมั่นสีพติก็มีอัตวาทุปาทานถือมั่นว่าทักว่าตนว่าตัวก็ไม่มีหายไปนั้ที่นั้นเองนั่นปฏิจจสมุปบาทก็แตกกระเจิงไม่ได้เรียง อริชาปัญาตั้งขารอย่างนั้นอย่างนี้วิญญาณวิญญาณานักปัญญามารูปังมารุปะอะไรอะไรมาเลยอริชาดับสังขารวิญญาณารูปอายตนาภาาัสสะอายตนาจัรหาอุปทาไม่ได้หรียงแบบเลยแตกกระจิงเลยนั่งนั่นัน่ น, นสมมุติเครืองขี้คอคอเราอยู่นี่ตัดที่ไหนาขาดมันก็หลุดไปเลยไม่ต้องเรียงมันนั่นั่ง้อเหตุได้ พระเหตุการณ์ปฏิบัติมาแต่พบก่อนท่านจึงยืนยันไหวในปัญจกะนิบาศว่าการปฏิบัตินี้ไม่เสียนะถ้าไม่ได้สําเร็จพระอรหันในีชีวิตอยู่ก็จะได้สําเร็จพระอนาคามีถ้าไม่สําเร็จหรือไม่ฉะนั้นก็จะได้พระอรหันในเวลาใกล้จะตายหรือพระอนาคามีก็ไม่ได้ใกล้จะตายก็ไม่ได้ ด้วยอานิสงของการปฏิบัติก็ไปเกิดในพบใดพบหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็บาทคาถาเดียวนะัไปเลยนันะนะัมันไม่ขาดทุนเนะช่นคนทั้งหลายมาพูดว่ามึงปฏิบัติไปเถิดพระหันไม่มีดอกออทำไมตาบอดดจะไปเห็นพระหัน ใครอยากเห็นพระรหันก็ต้องเพ้นพระหันเสียก่อนสินั่งนั่งไม่มีพระหัน์ดอกมันตัดสินเองมันอืมมันเป็นคนตาดีเอา้าดอกบัวสีเหล่ามีแต่ข้างพุทธการหรือไม่เอา้าข้างนี้มีหรือไม่ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้าก็เสมอน้าเต็มภูมิดอกใต้น้าก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็คือพวกที่ถือว่าไม่มีบุญมีบาป พวกที่ถือว่ามีบุญมีบาปนั่นก็คือเสียงพูดไม่ใช่เสียงพูดเสียแล้วเสียงจอบเสียงเสียงขุดดินฝังตัวเองเสียงว่าไม่มีบาปไมีบุญนั่นนันนนัถูกไหมนั่นทำไมจึงมีผู้เขารับนับถือพระพุทธศาสนาน่อยนะัก ตอบง่ายง่ายไม่ยากเลยคนวาทนาไม่ถึงพระพุทธศาสนาจะไปเลื่อมใสทาไหมแมลงวันวาทนาไม่ถึงแมลงพึ่งจะไปยินดีไงเจสอนดอกไม้มันก็ไม่มีนะะนันะนะัถูกไหม <laughs> ปีทีสหคตาธรรมมา เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลปีติสาคตาธรรมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้จักมันปีติเกิดขึ้นปีติสาคตาธรรมาไม่ใช่สัไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าธรรมสุขาสาคตาธรรมาเป็นสุขในปีติด้วยทัศนีนภะหาตพาธรรมาเห็นธรรมตามสติกำลังของแต่ละลายบุคคลเอาละที่ว่าไปทั้งอื่นทั้งอะไร ไม่เอาให้กันห้องเราเขเรียกไม่เอาให้กันห้องว่าได้เรียกปิ๊บดังปิ๊บเต็มไม่ดังปิ๊บเต็มไม่ดังปิ๊บดังไม่เต็มปิ๊บมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นปิ๊บมันก็ไม่ได้ว่ามันเต็มมันไม่เต็มเราไปว่าให้มันถูกไหมไปหาใครก็ไปว่าได้เรียกเนี่ยไปหาหลวงพ่อเทศก็ไปว่าได้แบบนี้ ไปหาหลวงปู่มาหาไปายไปหาท่านในการแบงคอไใบตายใบ ต, ต, ตายมั่นระบานเนี่ยภูลคตเพระว่าเพศง่ามตายยัง ก, กระรที่เ่เป็นเพชรด้วยนี่บะสัน่นห่วยกันว่าเป็นสันกหน้าโตมันกับเป็นเพชรเด็กันว่าของขี่กระตือขโมยพระเจ้าแล้วมันกับมัดเรื่องมาสั่งห้ว่างที่ ถูกไหมถ้าว่าเป็น ส, สาราเร า, าก็เป็นเปรตสิถ้าว่าของพระบม ร, รษษมศาสนารัตอุจรัตสวะของท่านดอกแล้วมัน็กมดเรื่องใช่ไหมนะันะ่งนะันะนะ่นันันักติดไห่ค่ข้างมาพุทธการนางไวสาขา สร้างถวายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัสถีมดยี่ิบเก้าโกดกระเป๋าเดียวนาวิสาขายี่บเก้าโกดสิบล้านจึงเป็นโกดเอาเก้าไปคูณยี่ิบเก้าเอาสิบไปคูณยี่สิบเก้าดูดรูจะเป็นกี่ล้านสิบเก้าเก้าสิบทดเก้า ส2บองยี่สิบป็ยี่สิบเก้านั่นนั่นสองรอยเก้าสิบล้านคนเดียวของนางนั่นนั่นนั่นเราจะไปดูถูกว่าข้างพุท ธ, ธการไม่พัฒนาพัฒนาทั้งวัดถุนิยมทั้งอุดมคติด้วยอุดมคติก็อย่างต่ำก็พระสวัสดวันนั่นนั่นนั่นันนนนนน่เอานาถะพินทิกเกษตรเีสินี่สร้าง ป่าเชิตะวันมหาวิหารป่าเชิตะวันเป็นชื่อของไม้มดสี่สิบ้าโกดกระเป๋าเดียวสี่สิบห้าโกดเอาสิบไปคูนดูดูกใครตื่นบ้างอย่างนี้หรือใครตอื่นบ้างผู้ใดตื่นสะดุง้งเพราะอยู่ห่างเหินกรรมฐานผู้ตื่นสะดุ้งเหมือนเนื้อสมังในป่าทัดของเขาไม่เจริญตุ้มต่างนี่เลย เดียเดียวสี่้าโกดอ้าเอาสิบไปคูณดูดูสิบห้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบปสี่สิบห้าสีร้อยห้าสิบโกดสี0ร้อห้าสิบ้านใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นกระเป๋าเดียวแจ่พวกเราเนี่ยแผลๆขอๆกันเลยจะตายแต่นี่มมนจะแผ่กับพีเน้อเลยมีมาก็ทำไม่มีก็ไม่ทำาทําพุทธาพิเศษพิสันจาราพัทเออเออ แล้วดูถูกข้างพุทธการว่าไม่มีวัตถุนิยมเราไปพูดแต่ลบไห้ทายคามันก็อย่างนั้น่ะที่ดีเราไม่เอามาพูดออืนั่นเราไปพูดแต่ผ้าบางสกุลอยู่ลบไหมลุกขมูลปราชาดมุงปราชาสองเหลีม่ม ส, สามเหลี่ยมอะไรก็มีหมดในข้างพุทธการเราไปพูดแต่สิ่งที่ขี้ได้เอาไปพูดใส่พุทธการสองห้องเจ้าคํามตาช่างแทง ยอดซอฟ้าพี่ลาแก้วน้อยนิ่นเน่มั่นมีหมดสางหงเก่าเข้ากันตั้งแทงเดียวเนี่ยดีพอดีเอาข้อพระพุทไปปาดน่ะเอาคอพระพุทธรูปไปไปเฉือนทุกวันนี่นะ่งนั่งน่งแล้วจะไปดูถูกข้างพุทธการไม่ได้ข้างพุทธการคราวเทพระบรมศาดาแสดงยมกปาฏิหารก็พวกครูทั้งหก อธิเี็กกราบของพระบรมชาตรด า, ศ า, าเพียงบันเอวกองผ้าทั่วเลยนะพวกเราเนี่ยได้เปลี่ยนผ้าปีละปีละชุดก็ว่าตนเป็นผู้ไม่รบับพระศรีวลีเจ็ดวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะนะนะักนะของเก่าท่านเอาไปที่ไหนท่านก็ไปให้คนอื่นเสีนะทีนี้ใน ในพระไตรเพดกเขาขับเกวียนเอาน้ำอ้อยตามหลังพระห้าร้อยเล่มนั่นนั่นนั่นทุกวันนี้มีที่ไหนนั่นนั่นนั่นในธรรมบทเน่ยถ้าไม่ถูกก็ไปเผาไฟสิ้นซะเอาไว้ทำไมนะเียเียเยีมันจะได้แจกหนังสือกันอักโข อ, อเขียอยู่นี่เอาเอาทาในการเวียน พวกเราไม่ต้องทำวัดกันก็ได้มันสองสามพันสาเท่านั้นพวกเราะเอะฮะเรเห็นว่าอยูสิฮะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงสิถ้าไม่เป็นเรื่องจริงก็ไม่สนใจมันก็พอดีพอดีอยังไงเพราะคุณอินมายังวอนให้ผมทำ ถ้าว่าคุณอินไม่มีไม่มีมมวอนให้ผมทำผมก็ไม่ได้ทำ